หลวงพ่อคำเขียนที่เป็นประธานส่์ที่ให้ธรรมะเป็นแนวทางการปฏิบัติของพวกเราชาวสุกโตทุกคนกราบขอโอกาสจากพระอาจารย์วัฒนะชัยก็กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์สุลินแล้วก็ขอโอกาสจากเพื่อนสหธรรมิกก็จเจริญพรกับพวก ไม่ชีแล้วก็กับพวกเรานะที่มาปฏิบัติธรรมกันทุกๆคนก็การที่พวกเราให้โอกาสตัวเองมาเข้าวั ด, วดนะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วแต่ว่าการที่พวกเราได้ให้โอกาสตัวเองในการที่มาปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากกว่า เนื่องจากว่าการเข้าวัดบางครั้งก็เป็นเพียงแค่รูปแบบเนาะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าสู่เนื้อหาเพราะนืงจากว่าสิ่งที่พระเจ้าได้มอบเอาไว้ให้ไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาวัตถุแต่ว่าเป็นเรื่องของศาสนาธรรมซึ่งศาสนาธรรมเป็นเรื่องที่ ต้องปฏิบัติเอาแล้วก็สิ่งที่สาคัญ ก, ค<บ>ก็คือสิ่งที่พระเจ้าพบก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันพระเจ้าก็ได้<ม>หาทางนะเรียกว่าหาทางที่จะพาตัวเองออกจากห่วงทุ<ม>ทกข์พระเจ้าเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระจกักรพรรดิก็ดูน่าจะมีความสุข<ม> เยอะแยะไปหมดแต่ว่าพระรูปเจ้าเองก็ยังมีความรู้สึกว่าใีความสุขนั้นก็ยังมีทุกข์อยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นการที่เติบโตมาในรั้วในวังก็ส5สบห้าเนาะส5ปีก็มีความรู้สึกว่าตรงนั้นทุกข์ก็ไม่เคยคลายไปจับตัวเพราะฉะนั้นพระรูเจ้าเองก็ ใจว่ า, าทํำยังไงเนาะถึงจะหมดทุกข์ถึงจะหมดทุกข์เพราะฉะนั้นถึงได้ออกมาทดลองนะทดลองหาวิธีการที่จะทํำยังไงให้ตัวเองเนี่ยไม่มีทุกข์เหลืออยู่ยเพรานะฉะนั้นตรงนี้วิธีการที่พระเจ้าได้หาทางที่จะทําให้ตัวเองพ้นทุกข์ ก็เป็นวิธีการที่พระเจ้าเองก็ได้สรุปปทเรียนแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นตุงนี้การเข้าวัดเฉยๆก็เป็นเพียงแค่รูปแบบเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการที่นำเอาคําสอนของพรทเจ้ามาทำให้เป็นจริงมาทำให้เกิดมีขึ้นในตัวเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่พระจันทสุลินก็ได้ ผนะ่าสวดเนาะีก่บทบมงคนลสูตรในช่วงสุดท้ายก็บอกว่าในบทนี้ก็บอกว่าการทำสิ่งเหล่านี้ให้มีในตนตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคุณอันสูงสุดมงคลทั้งหมดทั้ง3ามสบปประการที่พูดให้ปริจาได้ถ่ายทอดให้กับเทวดากับมนุษย์นะที่ถามเนี่ยว่าทำยังไงชีวิตถึงจะดีขึ้นตรงเนี้ย พระเจ้าก็บอกมานะครับว่ามีข้อนั้นข้อนี้ข้อนั้นข้อนี้เ ย, ย, ยอยแยกันหมดเลยขึ้นวุานวาแต่เป็นข้อที่ดีๆทั้งนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพระุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะต้องทำสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยให้มีในตัวเราการที่เรียกว่าทำสิ่งดีๆเหล่านี้ให้มีในตัวเราตรงเนี้ยเรียกว่าทำให้เป็นนิสัยของเราทำให้เป็นนิสัยของเราเหมือนอย่างัวกเราเนาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง เป็นพี่ป้าน้าอะไรต่างๆนั้ น, นเวลาเราสอนเด็กมันก็บอกว่าพูดเพล า, าะนะพูดเพลาๆนะตรงนี้เนี่ย<น>ก็เป็นสิ่งที่คําสอนของเราเนี่ยที่บอกเด็กไปบาธีแล้วก็อาจจะหงุดหงิดเด็กๆว่าเอ๊ะทําไมไม่ทําตามคําสอนของเราแต่เด็กๆ เ, เองก็อาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ทําตามคําสอนตรงไหนเพราะว่าก็จําได้นะผู้ใหญ่บอกว่าให้พูดเพลา ะ, พ, าะพูดเพลา ะ, าะแต่เวลาที่ ไปพูดเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้พูดเพราะตามที่ผู้ใหญ่บอกเพียงแต่จำได้แต่ทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นนี่คือตรงนี้การที่จะเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาทำให้เป็นตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกมาถึงจะเป็นมงคลกับชีวิตจริงๆแล้วก็ในทางบัปาสุกโตเองก็มีหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อพเทียนที่เป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือนะก็รเรียกมาไม่ได้อ่านหนังสือมาก่อนนะไม่รู้หนังสือเพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติเอาจากตัวเองจริงๆเรื่องปฏิบัติได้เนี่ยก็ได้เอาคําสอนนี่ม่ขอเพยได้เอาสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติได้เนี่ยมาบอกมาสอน การที่เอาสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติได้มาบอกมาสอนก็ปรากฏว่าก็มีผู้คนที่สามารถทําได้เนี่ยเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อคำเขียนก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงพ่อเทียนก็ได้เข้าไปหาหลวงพ่อเทียนการปฏิบัติของหลวงพ่อคำเขียนก็ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนไประยะนึงก็มีคนถามว่ารู้อะไรบ้างหรือยังก็หลวงพ่อเทียนก็ บอกว่ายังไม่รู้นะนะก็สิ่งนี้เนี่ยนะก็ทำให้หลวงพ่อคำเขียนก็เข้าไปหาหลวงพ่อเทียนแล้วก็ถามหลวงพ่อเทียนว่ามีใครบ้างมที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเทียนแล้วไม่รู้บ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงพระเทียนก็ยืนยันยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครที่จะไม่รู้ แล้วก็มีเรื่องเล่าที่เป็นอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นตำนานก็ได้นะกับคําพูดของหลวงพ่อเทียนอันนึงก็คือหลวงพ่อเทียนก็ท้าทายกับหลวงพ่อขียนบอกว่าหลวงพ่อขียนทํางานเนี่ยในความเป็นฆราวาสได้เป็นเดือนเท่าไหร่ที่ว่าสามเดือนอยู่ด้วยกันกับหลวงพ่อเทียนแล้ว ปฏิบัติตามหลวงพ่อเทียนจริงๆอย่างจังแล้วไม่รู้เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็จะให้เงินเดือนตอบแทนเป็นการที่เหมือนกับคล้ายๆว่าเสียเวลามาอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้เนี่ยก็เอาสตังค์กลับไปแต่ถึงวันนี้เองหลวงพ่อคุเขียนก็ยังไม่ได้สตังค์จากหลวงพ่อเทียนแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือได้คําสอนของหลวงพ่อเทียนมาเป็นชีวิตใจิตใจของหลวงพ่อคุเขียนในวันนี้ นั่นก็คือตรงนี้การที่สุขโตได้สอนการเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะการที่เหงาเคลื่อนไหวนะกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจคำสอนของหลวงพ่อเทียนที่หลวงพ่อาเขียนก็ตั้งใจว่าสุขโตนี่แหละจะเป็นสถานที่ที่จะ เหมากับการปฏิบัติธรรมในขณะที่หลวงพว่อเทียนมาตั้งสุกโตมื่อปีสองห้าหนึ่งแปดเพื่อที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็หลวงพ่อเทียนก็คัดค้าหนหลวงพว่อเขียนอยู่นะฮะว่าหลวงพว่อเทียนแล้วหลวงพ่อเขียนจะมาสอนลิงสอนข้างในป่านี้ทำอะไรทำไมไม่เป็นสอนผู้คนเนี่ยหลวงพว่อเขียนก็ยืน ย, ยันว้า หลวงพ่อเขียนอยากหาสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้ว่าอยากที่จะสอนผู้คนตรง น, นี้เนะี่ยก็เป็นสิ่งที่สาคัญมาทุกวันนี้สถานที่สุขโตก็จะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราทุกคนได้สัมผัสเนาะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมชาติหรือว่าจะเป็นผู้คนที่ตั้งใจเข้ามา หรือว่าเป็นคำสอนของหลวงพ่อคนเขียนที่ถ่ายทอดเอามาสู่ถึงพวกเราก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเั่นย้ำถูกต้องวุ่งเขียนจะบอกบอกว่าคำสอนตรงนี้เนี่ยเป็นคำสอนที่ไม่พาพวกเราหลงทิศพิดทางไม่พาพวกเราหลงทิศผิดทางคืออะไรก็คือคำสอนที่วุ้งตรงไปสู่การที่จะพาพวกเราเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ให้พ้นจากทุกข์จากนั้นถึง ม่มีทุกในที่สุดซึ่งตรงนี้เองลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนหลายๆคนก็ได้ก็เรียกว่าปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็มีผลจริงแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดคาสอนไปถึงคนอื่นๆให้คนอื่นเนี่ยได้รับก็เรียกว่าคำแนะนําเพื่อพาตัวเองพ้นทุกข์อีกเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ยขอให้พวกเราเนี่ย มั่นใจว่าการที่พวกเรากำลังเคลื่อมไหวที่เราเรียกว่า14จังหวะอันเป็นท่าเนาะเป็นรูปแบบตรงนี้เนี่ยหนหาก็คือการตรงเข้าไปสู่ความรู้สึกตัวมุงคุ้มเจนจะบอกเสมอๆว่าจะ่าไปขังบนกับท่าแต่ว่าให้ตรงเข้าไปสู่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็คือมังคุ้มเจนก็จะพูดง่ายๆเนาะบอกว่า ตัวต้องถามใครไหมว่ามืออยู่ตรงไหนเวลาที่เริ่มตั้งท่าที่เอามือไว้ที่เขา่าหรือขวัญเขียนก็จะถามว่าเราต้องถามใครไหมว่ามืออยู่ตรงไหนอันนั้นแหละที่เรียกว่าความรู้สึกตัวอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าใครหลอกเราไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องมีก็เรียกว่าไม่ต้องถามใครด้วยว่าตอนนี้มือเรากําลังยกอยู่หรือเปล่า ตอนนี้แขนเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่หรือเปล่าเพราะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราก็สามารถรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็จากตรงนี้ละ่ะที่เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจในการปฏิบัติหรือ ม, มาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าใจของเราเนี่ยก็จะมาอยู่กับกายที่นี่หลวงพ่อเขียนจะบอกบอกว่าเราจะเอากายเอาใจเนาะ เป็นตัลาและเอสติเป็นนักศึกษาเราจะทำงานอยู่กับเขาเรียกว่าเครื่องมือสามอย่างที่วกว่ากายใจและสติซึ่งเครื่องมือสามอย่างนี้เนี่ยก็จะติดอยู่กับตัวพวกเราตลอดเวลาแลวก็อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่เกิดอยู่กับพวกเราทุตกตั้งแต่เช้าจจดจดค่ำนะยี่บสี่ชั่วโมงตลอดเพราะฉะนั้นเครื่องมือตรงนี้เนี่ย หลวงพ่อเขียนก็จะบอกบอกว่าเราก็ไม่ต้องไปพึ่งวัตถุอื่นสิ่งอื่นแต่ว่าเครื่องมือที่จะทําให้เรารู้เนี่ยก็มีอยู่ในตัวเราพร้อมแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเอามาประกอบกันเอาสามอย่างก็คือเอากายเอาใจเอาสติเนี่ยวาประกอบกันเนาะใส่หลวงพ่อพุฒิเกศจะบอกอยู่คำหนึ่งนะฮะคำหนึงก็คือมีสติลงไปในกาย การมีสติลงไปในกายตรงนี้เนอะก็อาศัยความเคลื่อนไหวเนอะของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายเราจะมีการเคลื่อนไหวที่1ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นไปตามธรรมชาติเนอะแลก็สองเนะี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราสร้างขึ้นมาแต่ว่าในการที่พวกเราก็เรียกว่าหัดนะหัดเจริญสติกันล้วก็จะเริ่มต้นที่ การที่เราเนี่ยสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาก่อนก็นจะเป็นการสร้างเคลื่อนไหวขึ้นมาในรูปของการยก ม, มือสร้างจังหวะหรือจะเป็นการเดินจมกลมก็าตามตรงนี้เนี่ยก็เป็นการตั้งใจให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ค่อยๆนะเรล่บมาค่อยๆเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่า ค, ค, ความรู้สึกตัวซึ่งจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยก็มีอยู่แล้วในตัวทุกคน แต่เพงสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือการที่พวกเราเนี่ยด้เคลื่อนไหวเรียกว่าเป็นอัตโนมัติมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะเราหัดเดินหัดกินข้าวนะหัดทำนู่นทำนี่ต่างๆนาน า, นาความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันกลายเป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมดเราไม่ได้มีเรียกว่ามีใจที่จะเอาไป เอาใจใส่ว่าความรู้สึกตัวมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมังมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากริยาต่างๆมาบังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเนี่ยสร้างความเคลื่อนไหมขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองตัดสิ่งรบกวนซึ่งก็คือความคิดตรงนี้เนี่ยออกไปตัดสิ่งรบกวนที่เื่อความคิดออกไปหพเทียนก็จะบอบอกว่า ในขณะที่เรากําลังเคลื่อนไหวเอากายเคลื่อนไหวอยู่เป็นเคลื่อนมือตรงนี้เนี่ยถ้าพวกเรารู้ตัวว่าอยู่กำลังคิดอยู่เนี่ยก็กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวใหม่ตรงนี้เนี่ยพวกเราทุกคนที่ได้ลื้นะยกมือมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้บ่ายเป็นต้นมาที่พระอาจารย์นรเทวีชัยได้พาพวกเราทําพวกเราก็จะพบว่ามีขณะที่พวกเรารู้สึกตัว พวกเราก็จะไม่สนใจความคิดแต่ในขณะที่พวกเราหลงไปคิดพวกเราก็จะไม่รู้สึกตัวตรงนี้เนะี่ยพวกเราก็จะเห็นว่าเครื่องมือตรงนี้เนี่ยลุ่มนะลุ่มพาพวกเราเนี่ยได้แยกแยกให้ออกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังตั้งใจอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังหลงไปคิดนะซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญว่า การที่เรากำลังรู้ว่าเราตั้งใจอยู่แต่การที่เรารู้ว่าเรากำลังหลงไปคิดตรงนี้จะมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือการที่มีผู้ดูดูกายที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ดูใจที่คิดนิดไปแล้วก็เราก็พบว่าสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวเป็นความตั้งใจสิ่งที่เป็นความคิดนึกเป็นความหลง ที่ความหลงตรงนี้เนี่ยมันก็จะไหลไปถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่าการเครื่อนไหยของกายเป็นเครื่องมือความคิดของเราก็จะไหลไปในหลายๆเรื่องหลายคนก็จะบอกบอกว่าอือแบบว่าเมื่อสักครูนี้ที่กำลังปฏิบัติอยู่ไหลไปกว่าความคิดหลงไปกว่าความคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้หรือว่าคิดไปจนจบเรื่องบ้างบุคคนก็จะบอกบอกว่าอืม นึกคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวได้นะคิดไปกลับมารู้สึกตัวได้นะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าโลกํุลวงอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าการฝึกที่จะเป็นผู้ดูดูกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็ดูใจที่คิดนึกเพราะฉะนั Brazil ้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่านี Durham ่เรากาลังพัฒนาเคลื่อนมืออันหนึ่งที่เราเรียกว่าการเป็นผู้ดูผ่านการดูกายที่เคลื่อนไหว การดูใจที่คิดในตอนที่ใจเราหลงไปคิดหลวงพ่อเองเนี่ยหลวงพ่อคเขียนจะบอกบอกว่าจิตตรงเนี้ยมัน ส, สนัมสันจิตมัน ส, สนัม ส, สนันเพราะว่าจิตเนี่ยหนึ่งก็ก็เรียกว่าไปได้สา ร, รพัดไปกับความคิดแล้วถ้าพวกเราสังเกตดูความคิดหลายความคิด ความคิดที่มีทั้งส่วนที่เราเรียกว่าตั้งใจและความคิดที่เรียกว่าเราไม่ได้ตั้งใจความคิดที่เราตั้งใจก็จะเป็นความคิดเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการทางานเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้น <S <S ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราตั้งใจแต่ความคิดที่ไปเครื่งเครียดบ้างความคิดที่ไปก่ดด่าคนอื่นบ้างหรือว่าความคิดอะไรต่างๆนานาสารพัสารเพลพวกนั้น ก็เลมาเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ความคิดพวกนี้เนี่ยก็จะมีขึ้นตลอดเวลาหรือว่เขียนจะบอกบอกว่าในขณะที่เราเริ่มยกมือสร้างจังหวะเนี่ยจะมีความคิดที่มาแซงหน้าแซงหลังตลอดเวลาเพืวกเราเองหลายคนก็จะพบว่าเป็นอย่างนั้นทำไมการปฏิบัติธรรมที่นี่ทำให้ความคิดเราแยกไปหมดแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้หลักเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียมเนี่ยได้ เขเรียกว่าได้สูตรบทเรียนให้เราฟังว่าการที่เราเริ่มยกมือสร้างจังหวะนี่แหละเป็นการที่เราเนี่ยก็เรียกว่ากวนน้ำไม่ขุนนะเหมือนกวนน้ำไม่ขุนจริงๆแล้วก็ก็ไม่ใช่ว่าเหมือนกวนน้ำไม่ขุนแต่ว่ามีความเป็นจริงก็คือเราเนี่ยมีความคิดสารพัดนะอยู่ในหัวเราฝรั่งนะฮะชาวต่างประเทศไม่ทราบว่าชาวชาวที่ไหนอะไรยังไง เขามี ập, มงานวิจัยที่บอกบอกว่าคนเราเนี่ยคิดวันนึงเนี่ยประมาณหกหมื่นเรื่องในความคิดหกหมื่นเรื่องเนี่ยฮะก็จะเรียกว่าคิดทุกวินาทีเนอนะนก็คือทุกวินาทีที่เราตื่นจริงๆไม่ใช่แค่นั้น ท, ทุกวินาทีที่เราหลับก็เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้หลวงพ่อเขียนสรุปเอาไว้ว่า กลางคืนที่เราเรียกว่าฝันเป็นกลางวันที่เราเรียกว่าคิดเพราะฉะนั้นหกหมื่นเรื่องที่ฝรั่งวิจัยเอาไว้ก็ถือว่าน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มยกมือสร้างจังหะเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าเรามีความคิดเยอะแยะไปหมดในหัวแล้วเมื่อเราเริ่มแยกแยะได้ว่าความคิดอันไหนที่เป็นความคิดที่เรียกว่าความตั้งใจคิดกับความคิดอันไหนที่หลวงพ่อเขียนระบุบ้าง เป็สเภณีจิตหรือว่ารักคิดนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นตรงเนี้ในขณะที่กําลังยศมือสร้างจังหวะเนสิบสจังหวะหรือว่ า, ากําลังอาศัยกายเคลื่อนไหวผ่านการเดินจงกลมเนี่ยเราจะมีความรู้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมากมายเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจของเราเกี่ยวกับสิ่งที่ดําเนินไปในกายในใจของเราเยอะแยะไปหมด เ, เ, เพราะฉะนั้นคือตรงเนี้มา นี่คือพวกเราเนี่ยเรียกว่ากำลังก้าวมาสู่การปฏิบัติธรรมแล้วก็การก้าวเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมตรงนี้ละ่ะที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่พาพวกเราหลงทิศปิดทางถ้าพวกเราเดินขึ้นมาในทางสายนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยรียกมาพวกเราก็จะไปถึงปลายทางเองเหมือนกับเราซื้อตัว๋วขึ้นรถไฟด่วนรถไฟดสารก็จะพาเราไปถึงปลายทาง เพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งนี้เราก็เรียกว่าเป็นทางเดินเนอะเป็นทางเดินที่พวกเราก็ต้องเดินด้วยพ้าพวกเราเดินพวกเราก็จะไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่าการพ้นภพหรือว่าในขณะที่พวกเราเดินพวกเราก็จะพบว่าภพเนี่ยก็ถูกพวกเราเนี่ยทิ้งห่างไปตรงนี้สำคัญที่ว่าการเดินทางของพวกเราก็คือการที่พวกเราเนี่ย กำลังลมือปฏิบัติการที่พวกเรายกมือแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งตรงนี้ <c oughs> ก็ถือว่านี่คือพวกเรากําลังพาตัวเองเดินห่างออกจากทุกไปทุกทุกครั้งถ้าไหนพวกเราหยุดเมื่อนั้นเองทุกก็หยุดอยู่ใกล้เราเหมือนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในขณะที่พวกเรากําลังตั้งใจเนาะที่จะพาตัวเองเนี่ยพ้นทุกมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าขับขวางนะ ขัดขวางการเดินทางของพวกเราสิ่งที่ขัดขวางก็คือนิสัยเก่าๆที่เป็นความเคยเชินของพวกเราตั้งแต่เล็กแต่น้อยตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าเรากำลังมีนิสัยอันหนึ่งก็คือมีนิสัยที่จะใช้สติประกอบการเคลื่อนไหวของเราแต่เราก็มีนิสัยเก่าอันหนึ่งก็คือนิสัยที่มักจะทำอะไรไปตามความหลง เราคิดทำยังไงไปตามความเคยชินเก่าๆซึ่งความเคยชินเก่าๆ เ, เนี่ยพวกเราก็จะพบหน้าสิ่งที่พวกเราทำต า, ตามความเคยชินหรือทาตามใจอยากเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เรี่อว่าเดือดงล้นใจเนี่ยตามมาในภายหลังตลอดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจว่าความเคยชินเก่าๆตรงเนี้ยจะพักไปก่อนเพราะว่าชีวิตของเราเดินทางมาถึงวันนี้ ก็มีแต่ทุกที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีแต่ปัญหาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะทำตามความเคยชินเก่าๆแต่ว่าลองมาทำเรื่องใหม่อันนี้ก็คือการเจริญสติหรือว่าการที่เราจะเอาสติเนี่ยมากำกับการเคลื่อนไหวของเราเอาสติเนี่ยมาอยู่กับชีวิตของเราเอาสติเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรียกว่าในกายของเราแล้วก็ เอาสติมาคอยดูแลกายคอยดูแลใจของเราซึ่งกายและใจของเราตรงนี้เนี่ยในเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะทําเรื่องที่ดีบ้างเรื่องที่ไม่ดีบ้างเรื่องที่ดีก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นบุญเรื่องที่ไม่ดีก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตรงเนี้เนี่มาถ้าพวกเราเนี่ยเอาสติมาอยู่กับกายของเราเอาสติมาคอยดูแลกายคอยดูแลใจของเรา กายและใจของเราเนี่ยก็จะทำแต่เรื่องที่เป็นกุศลไม่ทำแต่เรื่องที่เป็นกุศลชีวิตเราก็จะก็เรียกว่าสะสมแต่คุณงามความดีซึ่งคุณงามความดีตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราตรวจวัดได้ว่าใจเราเนี่ยไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้พวกเรามั่นใจว่าการปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยสามารถตรวจวัดผลได้ว่า การปฏิบัติทำจะถูกทางหรือไม่จะดีหรือไม่เพราะว่าในขณะที่พวกเราอยู่ในความรู้สึกตัวนะความคิดที่ทำให้เราทุกเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นแต่ในขณะที่พวกเราหลงไปกับความคิดดังนั้นความคิดที่พวกเราังให้พวกเราทุกเไม่นาอยก็น้อยก็มีบางครั้งพวกเรายกมือสร้างจะมาวไปแ ร, แรกๆก็อาจจะคิดถึงหรือที่บ้างบ้างคิดถึงเรื่องที่ทํำงานบ้างเนาะ เราเสียเวลาอยู่ที่นี่ทำอะไรตรงนี้เองที่เราพบว่าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราก็เริ่มทุกข์แล้วเนาะเราก็เริ่มทุกข์กับการอยู่ในวัดไม่รู้จะมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้ทําไมลูกเต่ายังเล็กอยู่เนาะยังเขายังต้องการเราอยู่ตรงนี้เนี่ยกายอยู่ตรงนี้แต่ใจอยู่ตรงอื่นแล้วก็จะพบว่าเราก็เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขการอยู่ไม่เป็นสุขตรงนี้ก็เรียกว่าทุกข์ก็เกิดขึ้นในใจเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะ พวกเราได้สังเกตได้สังเกตเมื่อไหร่ที่พวกเราอยู่ความรู้สึกตัวตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทุกๆในใจเราเนี่ยก็จะทําอะไรเราไม่ได้เพราะนั้นั่นคือการปฏิบัติธรรมที่พวกเรากําลังทําอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนก็ยืนยันนะว่าสุกโตจะไม่พาพวกเราหลงที่ปิดทางเนื่องจากว่าการปฏิบัติธรรมที่พวกเราจะได้เริ่มสัมผัสเนาะ จากครั้งแรกที่พวกเราเริ่มยุรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายเราก็จะได้เริ่มสัมผัสได้ว่าตรงนี้เนี่ยทุกเริ่มหายไปจากเราเป็นช่วงๆเป็นขณะเป็นขณะตราบใดที่พวกเราอยู่กับความรู้สึกตัวยาวนานเท่าไหร่ตรงนั้นความคิดก็ไม่สามารถทำให้เราทุกได้ยาวนานเท่านั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากเชิญชวนให้พวกเราเนี่ย ได้ลองสัมผัสเนาความรู้สึกตัวแล้วก็ได้ลองทําให้ความรู้สึกตัวเนี่ยตอนนื่องการที่พวกเราอยู่กับที่วัดเป็นช่วงเวลาเจดวันที่พวกเราจัดมาตรงนี้เองก็จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เริ่มมีนิสัยใหม่ที่เรียกว่ามีนิสัยในการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวที่เราจะพบว่าการที่เราหลงไปกับความคิดเนี่ยตรงนี้หนะักเป็นสิ่งที่ เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์หลวงพ่อเทียนบอกว่าความคิดเป็นตัวสมุทยัยตัวสมุทัยก็คือตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์หลวงพ่อเขียนก็ยืนยันซ้ําว่าไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่พระอาจารย์วัฒ น, นชัยหรือว่าหลวงพ่อกคำเขียนหรือว่าหลายๆคนที่จะบอกให้พวกเราอยู่กับ ความรู้สึกตัวเนาะอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้อยู่กับการที่เรากำลังฝึกที่จะเป็นผู้ดูดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้จำเอาไว้แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ทำให้เกิดมีขึ้นในตัวเราตรงนี้แหะเป็นสิ่งที่ถ้าพวกเราทำได้พวกเราสามารถที่จะตรวจวัดได้ ไม่มีใครที่จะหลอกเรามีแต่ตัวเราเองที่จะสัมผัสได้ว่าทุกเราด้อยลงไปจริงหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นศรัทธาที่เป็นศรัทธาตัวจริงที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมีเรียกว่ามีกำลังใจในการปฏิบัติต่ตตตอไปก็ขอให้พวกเราทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติในวัดปาสกโตตรงนี้ได้พบได้เห็นเนาะสิ่งที่เราเรียกว่าทุกที่น้อยลง แล้ก็ได้พบได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าความไม่มีทุกข์เนี่ยในอนาคตของพวกเราทุกๆคนก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้เพียรที่จะปฏิบัติกันตามคําสอนของหลวงพ่อเขียนเนาะก็อืมก็ไม่มีก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะที่จะบอกให้พวกเราว่าให้พวกเราได้ พยายามตรงนี้ดูก่อนนะแล้วการพวกเราเนี่ยดูตรวจวัดผลด้วยตัวเองแล้วพอเราจะพบว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลึกลับเนาะแต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งวพวกเราเองก็สามารถทําได้ทุกคนพวกเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าจะเป็นใจไม่ว่าเป็นสติวันนี้คือตรงนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้เพียรที่จะพาให้ตัวเราเองพ้นทุกข์ และก็ตรงนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมได้รับประโยชน์จากพวกเราทุกๆคนตามความตั้งใจดีของพวกเราก็พอสมควรกับการที่จะชวนพวกเราได้ปฏิบัติธรรมกันก็ขอให้พวกเราได้กราบพร ะ, ระพร้อมกัน